วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมได้ตั้งใจกันมา พังเทศพังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการได้มาเกิดในภพนี้ในชาตินี้ว่าเป็นภพชาติที่วิเศษอย่างมากเพราะว่าการที่ได้มาเกิด ในพบนี้ในชาตินี้เราได้มาพบกับสิ่งที่หายากสี่ประการด้วยกันในพระพุทธศาสนาได้ทรงแสดงไว้ว่ามีสิ่งที่หายากอย่างมากสประการด้วยกันคือหนึ่งการปรากฏขึ้นมาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เป็นของที่หายได้ยากมากเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้แต่ละครั้งประการที่สองของที่หายากก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่เป็นของที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพราะว่าจะต้องเวลาตายไปแล้วจะต้องไปรับผลบุญผลบาทอีกยาวนานและกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ต้องรอให้มีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์ให้กำเนิด การได้กเกิดเป็นมนุษย์ถึงเป็นของที่ยากข้อที่สามคือการดำรงชีพของมนุษย์ก็เป็นของยากเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เหล่านี้มันเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้โอกาสที่จะตายนี้มีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งความตายก็อาจจะเข้ามาถึงก็ได้ข้ อ, อที่สี่การมีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากเช่นการบวชเป็นพระนี่ ไม่ใช่เป็นของง่ายน้อยคนที่จะมีความสามารถที่จะออกบวชเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกทั้งหลายได้ออกบวชกันได้ น, น, นี่คือสิ่งที่หายากสี่ประการด้วยกันอย่างน้อ ย, ายาศรัทธาญาติโยนี้ ก็ได้อย่างน้อยสามข้อแรกแล้วข้อที่หนึ่งก็คือการได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่บนโลกนี้จนถึงวันนี้ได้ ต้องมีพระพุทธเจ้ า, ามาทรงตัดสรู้พระธรรมอันประเสริฐแล้วร่งประกาศพระธรรมอันประเสริฐนี้เผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่มีศรัทธามีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อ น, นำเอามาทำให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนเองคือทำให้ชีวิตของตนนั้น ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพวกเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับได้เจอพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าถึงแม้ร่างกายของพระพุทธเจ้าจะต้องจากโลกนี้ไปแต่องค์ของพระพุทธเจ้าเองนี้ คือศาสดายังไม่ได้จากโลกนี้ไปองของศาสดาองของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้โดยชอบแล้วสวาขาโตภค ว, วตาธรรมโมยังมีอยู่ในโลกนี้พระธรรมคำสั่งคำสอนมีบันทึกไว้ในพระคัมภี ที่มีชื่อว่าพระไตรปิฎกผู้ใดเข้าถึงพระไตรปิฎกผู้ใดศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกก็ถือว่าได้ศึกษาพระธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงดังนั้นเรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราอยู่อยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสั่งคำสอนที่จะนำพาชีวิตของพวกเรานี้ ให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้และข้อที่สองพวกเราตอนนี้ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เช่นถ้าเรามาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดใดชนิดหนึ่งถึงแม้เราจะมาเจอกับพระพุทธศาสนา เจอกับพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สามารถเรียนรู้จากพระพุทธศาสนาได้ไม่สามารถเอาพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตของพวกเราได้เราจำเป็นจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์กัน การเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากมากกว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเวลาสัตว์เดรัจฉานเขาออกลูกทีนี้กาออกเป็นคอบออกกันเป็นเป็นโหลเป็นสิบเป็นร้อยก็มีแต่มนุษย์นี้จะคลอดลูกได้ก็ทีละคนเป็นส่วนใหญ่และยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ มีวิธีการที่จะคุมกำเนิดมียาคุมกำเนิดมีวิธีป้องกันการตั้งครรภ์<ม>แล้วก็มีวิธีทำแท้งอีก<ม>โอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจึงต้องเป็นของยากกว่าการได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน<ม>จำนวนของสัตว์เดรัจฉานที่มีในโลกนี้ มีมากยิ่งกว่ามนุษย์<ม>สัตว์เลี้ยลฉานพวกมดมแมลงพวกนกพวกปลานี้มีเยอะแยะเต็มไปหมดมการจะมาเกิดนี้ต้องมีพ่อแม่มการจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์<ม>ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้<ม>แต่ถ้าจํานวนของมนุษย์มีไม่มาก และจำนวนที่มีไม่มากนี้ยังมีการคุมกำเนิดอีกอย่างประเทศจีนเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เขาก็มีการกฎหมายออกคุมกำเนิดเลยว่าครอบครัวหนึ่งนี้มีลูกได้เพียงคนเดียวเพราะว่าประชากรของจีนเ้ามีมากกว่าที่เขาจะสามารถเลี้ยงดูได้ถ้าปล่อยให้เกิดกันมาก ก็จะทำให้เกิดความอดอยากขาดแคลนเกิดการแก่งแย่งชิงดีในการครองชีพกันก็จะทำให้อยู่กันอย่างไม่สงบสุขถึงมีกฎหมายที่ออกมาห้ามไม่ให้มีลูกเกินหนึ่งคน น, นี่พูดถึงตัวอย่าง ของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของที่ยากกว่าการได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีการคุมกำเนิดและเขาไม่มีขนบรรมเนียมประเพณีผัวเดียวเมียเดียวสัตว์เดรัจฉานนี้เขาสามารถมีผัวหลายตัวผัวได้หลายตัว ม, มีเมียได้หลายตัว ไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ห้ามไม่ให้เขาทำแต่สังคมมนุษย์นี้เป็นสังคมที่ประเสริฐที่รู้ถึงความสงบสุขการอยู่อย่างสงบสุขนี้จะอยู่ได้ก็ต้องอยู่แบบมีกฎมีระเบียบก็เลยจำเป็นจะต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของมนุษย์เช่นให้มี ผัวเดียวเมียเดียวเป็นต้นไม่ให้มีมากไปกว่า น, นั้นเพราะจะสร้างความหุ่นวายสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันและกันได้นี่คือความยากของการมาเกิดเป็นมนุษย์มเมื่อกี้ได้พูดถึงความยากของการมาปรากฏของพระพุทธเจ้า านานจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสสรุในโลกนี้สักครั้งหนึ่งไม่ใช่ทุกล้านปีล้านชาตินะจะมีต้องเรียกว่าต้องเอาล้านมาคูนล้านหลายเท่าหลายครั้งด้วยกันกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสสรุ้และมาเผยแผ่ทาให้แก่สัตว์โลกสักหนึ่งครั้งโอกาสที่ เราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นี่จึงเป็นของที่ยากอย่างมากยากยิ่งกว่า ง, งมเข็มในมหาสมุทรเอาคนตาบ่าไปง ม, มเข็มในมหาสมุทรยังจะง่ายกว่าการที่จะให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดชั่ในโลกนี้เนี่ยนี่คือความยาก สองประการแรกการปรากฏขึ้นของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็เป็นของยากประการที่สาการที่ได้มาการได้ดำรงชีพอยู่จนขนาดนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายคนบางคนนี้ เกิดมาได้เพียงวันเดียวก็ตายก็มีข้อออกมาจากท้องแม่แล้วก็ตายมีอายุเพียงวันเดียวก็มีอายุเจ็ดวันก็มีอายุหนึ่งเดือนก็มีไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะอยู่ไปถึงอายุแปดสิบเก้าสิบปีกันทุกคนเพราะว่าการดำรงชีวิตนี้มันมีภัยต่างๆมาคุก ค, คามชีวิต มีภัยทางธรรมชาติไฟไหม้น้ำท่วมพายุแผ่นดินไหว<ม>สงครา ม, มแล้วก็มีโรคชนิดต่างๆ<ม>ที่จะมาฆ่าชีวิตของของมนุษย์ได้ตลอดเวลา<ม><ม>แล้วก็ยังมีภัยจากเพื่อนร่วมโลกด้วยกันพวกมิจฉาชีพต่างๆ ที่จะมาทําลายชีวิตของกันและกันได้ดฉะนั้นการที่เราสามารถอยู่มาได้จนถึงวันนี้นี่ไม่ใช่เป็นของง่ายน อ, อกจากมีภัยคุกคามแล้วการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่ใช่เป็นของง่ายต้องหางานทําต้องหารายได้ บางคนนี่เกิดมาไม่มีโอกาสได้เรียน<ม>ได้ศึกษา<ม>ก็ต้องไปท ร, รมาหากินด้วยด้วยลำแข้งลำขาของตนเอง<ม><ม>เป็นชาวนาชาวไร่เป็นกรรมกรมมอันนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายในการที่จะมีชีวิตยอยู่ไปได้แต่ละวัน แล้วก็ไม่มีใครมารับประกันได้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่กันต่อไปหรือไม่มเพราะว่านอกนอกจากภัยภายนอกแล้วภัยของร่างกายเองก็ไม่รู้ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรรอเราอยู่จะมีมะเร็งหรือมีโรคตับโรคไตหรือโรคหัวใจรอเราอยู่เราก็ไม่รู้ วันดีคืนดีมันก็จะเกิดขึ้นมาได้ฉะ<ม>นั้นเราต้องถือว่าเราโชคดี<ม>ที่เราได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้และเราก็จะได้ใช้ชีวิตอันนี้มาตาักตวงผลประโยชน์จากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ก็เป็นของยากอีกอย่างประการหนึ่งคือการได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าชีวิตของเราก็อย่างที่พูดไว้ว่าต้องใช้เวลาให้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันทุกคนเกิดมาพออาบออ ก, ออกคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ต้องอ้าปากแนละ้วต้องมีอะไรรับประทานมีอะไรเดิมกันแนะ้ เบื้องต้นก็ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ต้องวุ่นวายไปกับการหาดินหาอยู่ยาวเอาเวลามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมนี้แทบจะไม่ค่อยมีกันลูกๆพอโตขึ้นก็ต้องส่งเข้าโรงเรียนไปเรียนวิชาความรู้ทางโลกต่างๆเรียนตั้งแต่เช้าถึงเย็น กลับมาบ้านก็กินข้าวทำการบ้านแล้วก็ต้องทักผ่อนหลับนอนตื่นเช้าก็ไปโรงเรียนต่อทำอย่างนี้ไปสิบสิบกว่าปีด้วยกันถ้า ร, ระดับปริญญาซีก็สิบหกปีชีวิตก็หมดไปกับการศึกษาหาวิชาความรู้ เพื่อเอาวิชาความรู้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเวลาที่จะให้กับการมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แทบจะไม่มีเลยถ้าไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่มีบิดามารดาปู่ย่าตายายที่เข้าวัดเข้าวากันอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยก็จะได้มีโอกาสอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระที่จะได้เข้าวัดได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพระธรรงคำสอนของพระพุทธเจ้ากันดังนั้นการได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพระทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นของที่ยากอย่างมากของมนุษย์ทั่วไป เพราะมนุษย์ทั่วไปนี้จะวุ่นวายไปกับการหากินหาอยู่หาวิชาความรู้เพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและเมื่อได้รายได้มาก็เอาเวลาไปหาความสุขจากความอยากของกิเลสตัณหาอีกอเวลาที่จะคิดถึงการที่จะมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แทบจะไม่มีเลย สำหรับคนทั่วไปแล้วอย่างประเทศไทยเรานี้มีคนไทย70ล้านคนด้วยกันมีคนไทยที่เข้าวัดศึกษาพระธรรมคาสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนนี้มีสักกี่คนกันมีถึงล้านหนึ่งไหมที่ศึกษาปฏิบัติกันอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ มีชาวพุทธถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่เป็นชาวพุทธเพียงแต่ในทะเบียนบ้านทั้งนัง้นคือนับถือพระพุทธศาสนากันมาแต่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเวลา อาจจะเป็นเพราะว่าไม่เห็นความสําคัญของพระศาสนาเพราะว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ทำให้ร่ำให้รวยไม่ได้ทำให้ได้เป็นได้ยศได้ตำแหน่งที่สูงไม่ได้ไม่ได้ให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวได้ไปทำอะไรต่างๆตามความต้องการแต่กลับมาเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกัน พระศาสนานี้สอนให้มีศีลให้มีการหักห้ามการกระทําที่ไม่ควรทาต่างๆเช่นการเสพ บ, บายามุขการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวตามบาร์ตามผับตามสถานบันเทิงต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกของ ปุตุชนที่มีกิเลสตัณหาที่ชอบแสวงหาความสุขจากอบายมุขชนิดต่างๆจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้สามารถได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสองคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเลยแต่สำหรับท่านที่ ได้สิ่งข้อที่สี่นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความมีโชคดีมีความสนใจที่จะศึกษาและจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนแม้นยังไม่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบก็ตา ม, อ, มอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติเต็มเต็มรูปแบบต่อไปอ เพราะถ้าได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบคือได้อยู่แบบนักบวชหรือได้บวชเป็นนักบวชแล้วก็จะไม่ทำภารกิจอย่างอื่นจะทำภารกิจของพระพุทธศาสนาศึกษาพราะธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติ ถ้าสามารถทำได้อย่างเต็มรูปแบบ mm. ก็จะได้รับสิ่งที่เลิศที่วิเศษที่ไม่มีพบใดชาติไหนที่จะสามารถมอบให้กับเราได้ mm. คือรางวัลของพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพาน mm. คือการหลุดพ้นวิมุติ หลุดพ้ น, พนจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดความรู้ที่จะพาให้เราได้เล็ลอดหลุดพ้ น, พนออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นำทางถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีใครรู้ทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไป อย่างไม่มีวันสิ้นสุดพพชาติที่พวกเราได้มาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้มันก็มีมากจนนับไม่ได้เหมือนกับปริมาณของมเมล็ดทรายในทะเลนี่ลองไปนับมเมล็ดทรายตามชายหาดดูว่ามีมเมล็ดทรายกี่มเมล็ดนับไปจังดัเช้าจนจดค่าเรือนนับไปทั้งชีวิตนี้ ก็จะนับไม่ได้ครบหมดฉันใดจํานวนภพชาติของเราที่ได้มาเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็เป็นเหมือนกับมเมล็ดทรายมีจํานวนมากสิ่งที่จะทําให้เราพอประมาณหรือวัดได้ก็คือน้ําตาที่เราหลั่งกันมีใครปฏิเสธหรือไม่ว่าเกิดมานี้ไม่เคยร้องไห้เลยไม่เคยเจอความทุกข์เลยทุกคนที่เกิดมานี้ เจอความทุกข์ด้วยกันทุกคนร้องหม่มร้องไห้กันมาด้วยกันทุกคน<ม>ถ้าเราอยากจะรู้ว่าปริมาณของภพชาติที่เราได้มาเกิดมาร้องหม่มร้องไหน้นี้มีกี่ภพกี่ชาติท่านก็บอกว่าให้เอาน้ำตาที่เราหลั่งแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวบรวมรวมาไว้<ม>ท่านบอกว่าถ้ารวบรวมแล้วนี้น้าตาที่เราได้เคยหลั่งมานี้ มันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ของพวกเรามากกว่าน้ําในมหาสมุทรน้ําตาของพวกเราที่หลั่งกันมาในแต่ละภพแต่ละชาติน้ําในมหาสมุทรนี่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมากขนาดไหนก็ยังไม่เท่ากับน้ําตาที่เราได้หลั่งกันมาในแต่ละภพแต่ละชาติ แล้วยังจะไม่หยุดยังยังจะดำยังจะมีการต่อไปอีกถ้าเรา ไ, ไม่ได้มาเจอสิ่งที่หายากสี่ประการนี้ถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าหรือพระหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนาไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ดำรงชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และได้มีโอกาสมีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่มีวันที่เราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้เลยเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆดังนั้นการที่เราได้มาเกิดในภพนี้ในชาตินี้และได้ได้พบสิ่งที่ยากสี่อย่างนี้ก็เหมือนกับการถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการจะถูกรอตลี่รางวัลที่หนึ่งได้เลขที่เราซื้อมันมีหกตัวด้วยกัน มันต้องตรงกันทุกตัวใช่ไหมถึงจะได้รางวัลที่หนึ่งการจะถูกรางวัลที่หนึ่งนี้โอกาสมันมันอยู่เท่าไหร่หนึ่งต่อล้านใช่ไหมหนึ่งล้านเลขนี้จะมีเลขเดียวที่ตรงกับรางวัลที่หนึ่งคนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นคองที่ได้ของที่หายากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้เป็นของที่ยากมาก ขั้นใดการที่ได้มาพบกับสิ่งที่หายากสี่ประการนี้คือการเกิดของพระพุทธเจ้าการได้เกิดเป็นมนุษย์การได้ดำรงชีพยอยู่จนปัจจุบันนี้และการได้มีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เหมือนกับเราแทางได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง แล้วเมื่อเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราทำะไรต่อไปเราไม่ได้เก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆใช่ไเราต้องรีบไปขึ้นรางวัลไปที่สำนักงานฉลากกินแบงไปขอขึ้นรางวัลไปทำขั้นตอนต่างๆที่เขาต้องให้เราทำาต้องยืนยันตัวตนหรืออะไรก็ว่าไปมีบัตรประชาชนมีอะไรต้องออกไปยื่นให้เขา เมื่อเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นใครกว่าก่อนที่เราจะได้รับรางวัลมไม่ใช่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราจะได้รางวัลทันทีถ้าเก็บไว้เฉยๆหายไปก็หมดโอกาสไปเก็บไว้ไม่ไปขึ้นรางวัลก็เหมือนกับไม่ถูกอยู่เอมเมื่อถูกแล้วเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลฉันใด การที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลกันวิธีขึ้นรางวัลก็คือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะได้มาเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าเราจะได้พบกับพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าเราไม่เอาชีวิตที่มีค่านี้มาขึ้นรางวัลเราก็ยังจะไม่ได้ขึ้นรางวัลถ้าเราเอาชีวิตเราไปทำมาหากินหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพัชชนิดต่างๆรา ง, งวัลอันเลิ่ออันประเสริฐของพระพุทธศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราได้คือมรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานนี้เป็นเหมือนกับเป็นรางวัลคือการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่มีแบ่งไว้เป็นสี่ระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามและระดับที่สี่คือแบ่งเป็นขั้นขั้นที่เรียกว่าขั้นอริยะธรรมขั้นที่หนึ่งโสดาบันขั้นที่สองสกิฎาคามีขั้นที่ 1, ส, า, 2, ส า, ามน 3, อนาคามี ขั้นที่สี่ภรราหันการหลุดพ้นไม่ได้หลุดพ้นทีเดียวพร้อมกันเต็มร้อยหลุดพ้นเป็นขั้นๆ ข, ขั้นแรกก็หลุดพ้นสามสิบเปอร์เซขั้นที่สองก็หลุดพ้นสี่สิบเปอร์เซนขั้นที่สามก็หลุดพ้นห้าสิบเอร์เซ็นขั้นที่สี่ก็หลุดพ100้นร้อยเอร์เซนการจะหลุดพ้นได้ก็ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติ เหมือนกับเวลาที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องเรียนรู้วิธีกระทำทำกับข้าวเราก็ต้องไปเรียนกับเชฟเรียนกับคุกทำขนมหรือประดิษฐ์อะไรก็ตามที่เราไม่เคยทำมาก่อนการที่เราจะทำให้ได้เกิดผลที่ถูกต้องเราก็ต้องไปเรียนรู้จากผู้รู้การที่เราจะได้บรรลุ มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องไปศึกษากับผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วผู้ที่หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สองท่านด้วยกันคือท่านที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้า ท่านที่สองก็คือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย<ม>ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป<ม>ท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้รู้วิธีที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>ต้องไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่<ม>ก็ต้องศึกษาจาก พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ที่มีที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก<ม>ซึ่งตอนนี้ทางเราก็ได้มีการจัดพิมพ์พระสูตรสำคัญสำคัญอยู่ห้าพระสูตรด้วยกันที่พุทธศาสนิกชนที่ปรารถนาที่จะศึกษาและปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นควรจะศึกษากัน มีบันทึกอยู่ไว้ในหนังสือมีบรรจุไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าเป็นจางคาพสูตรมีตั้งไว้อยู่บนโต๊ะนี้มีพระสูตรสําคัญห้าะสูตรเป็นภาษาไทยไม่ได้มีไว้เพื่อให้สวดมีไว้เพื่อให้ศึกษาให้เรียนรู้ mm hmm. การสวดนี้ไม่ได้ประโยชน์เพราะได้ประโยชน์ก็เพียงแต่ได้สติได้สมาธิแต่จะไม่ได้ปัญญาความรู้ ที่จะพาให้จิตใจหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงพิมพ์ไว้เป็นภาษาไทยในเหมือนหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้า<ม>เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง<ม>แต่ชาวพุทธเรามักจะไปหลงผิดคิดว่าต้องเป็นภาษาบาลีถึงจะเป็นของขงลังเราต้องสวดเป็นบาลีถึงจะได้บุญได้กุศล แต่ไม่รู้รอกว่าการสวดนี้มันได้บุญกุศลเพียงระดับต่ำไม่ได้ระดับโลกุตระการสวดนี้ได้โลกิยะได้บุญระดับโลกิยะคือได้ความสงบได้สติได้สมาธิแต่ไม่ได้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกขนั้นต้องปฏิบัติอย่างไร ถ้าไปสวดภาษาบาลีซึ่งไม่ใช่เป็นภาษาของเราเราก็จะไม่เข้าใจความหมายเช่นเราสวดอิติปิโสภะกวาเนี่เมือตั้งหน้าโมสามจบนี่เรารู้ความหมายหรือเปล่าว่าหน้าโมนี่บาลว่าอะไรน้โมตัสสะภะกวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะเราสวดได้เป็นเหมือนนกแก้วนกแก้วมันก็สวดแก้วจ๋าแก้วจ๋าได้พอเอาแก้วให้มันมันก็เขียทิ้งเขียทิ้ง พ อ, อกล้วยไปให้มันมันก็ความับความับท <_ l ain> ั <_ d ata> ้งๆที่มันสวดแก้วจ๋าแกา้วจ๋าแต่มันไม่เอาแก้วเพราะแก้วมันกินไม่ได้พอเอากล้วย <_ d ata> ให้มันนี่มันความับเข้าปากเลยอ <_ d ata> ันี้พวกเราก็เหมือนกันสวดอ e ิติปิโสกันไปแต่สวดไปก็ไม่ได้ทำให้ใจเรามีความสงบหรือมีความสุขแต่อย่างใดพอใครยื่นเงินมาให้นี่ความับความั บ, มบเลย <_ d ata> อันนี้ก็แบบเดียวกันพวกเรายัางไม่เข้าถึงธรรมะคำสอนเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของธรรมะคำสอนว่ามีประโยชน์อย่างไร mm hmm. เรารู้แต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองกันพอใครยื่นทรัพสมบัติเงินทองมาให้นี่ควา ม, มากควา ม, มาับพอใครชวนไปบวชไปศึกษาธรรมนี่จ่ายหน้าหนีกันไมหมด mm hmm. ไม่มีเวลาบ้างไม่ว่างบ้างติดภารกิจติดภาระคนนั้นติดภาระ ค, คนนี้บ้างทั้งทั้งที่ทัทง้ทงทง ท, ง ท, งที่เป็นของที่วิเศษกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นร้อยล้านพันร้อยล้านพันล้านเท่าเพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีแต่ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะพาให้พวกเรานนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ยังต้องมาร้องห่มร้องไห้กันอีกชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้อย่าไปคิดว่ายังไม่มีน้ำตารอเราอยู่ยังมีน้ำตารอเราอยู่อีกมากมายเพราะเรายัางจะต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ต้องการกัน เจอกับการพัาดพลาดจากบุคคลที่เรารักกันให้ช้า ก, ก็เร็วคนนั้นก็ต้องจากเราไปคนนี้ก็ต้องจากเราไปหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราเคยมีอยู่วันดีคืนดีมันก็หมดไปได้ดูแม่ค้าออนไลน์ล้องห่มร้องไห้ขายของขาดทุนขายไม่ได้ล้องห่มล้องไห้กันนี่แหละคือชีวิตของพวกเราคือความทุกข์ของการมาเกิด มันไม่ดีหรอกการมาเกิดนี่มาเกิดแล้วมันจะต้องเจอกับความทุกข์ด้วยกันทุกคนหลายรูปแบบด้วยกันไม่ช้าก็เร็ว <Yeah. S 2> ร่างกายมันก็จะมีความทุกข์โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ <Yeah. S 2> เดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้น <Yeah. S 2> เดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวก็เป็นไข้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็อาจจะพิกลพิการไปก็มี <Yeah. S 2> ไอ้ไม่มีคนผู้หลักผู้ใหญ่นี้ถึงเวลาก็เดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็นกันนี่แหละคือสภาพของความทุกข์ที่มากับการมาเกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าไม่ต้องการจะเจอความทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดมาเกิดถึงแม้จะมาเกิดล่ํารวยใหญ่โตมียศถาบรรดาศักดิ์มากมากน้อยเพียงไรก็ตาม มันก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปเลยคนทุกคนที่มาเกิดตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีผู้มีเกียรติทั้งหลายจนกระทั่งถือคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราหรือขอทานเล่ยร่อนมีความทุกข์เหมือนกันหมดทางร่างกายทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย อย่งอย่าไปคิดว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สูงส่งแล้วจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้อันนี้เป็นความความเข้าใจผิดเวลาที่เราเห็นคนที่เขาล่ำรวยกับเราที่เขาใหญ่โตกับเราแล้วเราอาจจะไปคิดว่าเขาไม่มีความทุกข์เหมือนเรานี้อันนี้เป็นการมองไม่ถูกเป็นความความคิดที่ผิดเพราะถ้าเรามองไปที่ร่างกายของ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะใหญ่จะเล็กจะรวยจะจนจะสูงจะต่ำก็เจอความทุกข์ในรูปแบบเดียวกันคือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาดจากของรักของจเจริญทั้งหลายทั้งปวงไปนั้นวิธีที่เราจะแก้ปัญหาอันนี้ได้ก็ต้องยุติการเกิดให้ได้เท่านั้น ถ้าเราไม่ยุติการเกิดเราก็จะกลับมาเกิดกันไปอยู่เรื่อยๆและการที่เราจะยุติการเกิดได้เราก็ต้องรู้สาเหตุของการมาเกิดว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันซึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นคนพูมาค้นพบคาตอบอันนี้จะไม่มีใครในโลกนี้รู้เลยว่าพวกเรามาเกิดกันได้อย่างไร แล้วมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี้ได้อย่างไร<ฤ acy>มีคนหลายคนพย า, ย า, าพยามที่จะศึกษาพยายามที่จะค้นหาหาคาตอบหาวิธีที่จะทำให้ตนเองพ้นทุกข์ก็ไม่สามารถพ้นได้<ฤ acy>นานๆจะมีคนฉลาดคนเก่งอย่างพระพุทธเจ้าที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถค้นพบสาเหตุ ที่พาให้สัตว์โลกอย่างพวกเราเนี้ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บการตายอยู่อย่างต่อเ น, นื่องนี้ว่าเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดจะรู้นี่แหละที่เราเรียกว่าสาเหตุทรงตัดจะรู้ถึงสาเหตุ ข, ของการที่พาให้เรามาเกิดและทรงตัดจะรู้ถึงสาเหตุที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดว่าจะต้องทําอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงตัดจารุพระอริยสัจสี่อันนี้แหละคือสาเหตุที่พาให้เรามาเกิดที่พาให้เรามาทุกข์แล้วสาเหตุที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์และยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือผลผลที่เราได้กันคือการมาเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรานี้ ท่านทรงเรียกว่าเป็นทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่แหละคือความทุกข์ถ้าไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็จะไม่มีความทุกข์แต่พอเกิดแล้วมันก็ทุกข์เด็กที่ออกมาจากท้องแม่นี่หัวเราะหรือร้องไห้ออกมาจากท้องแม่ก็ร้องไห้กันแล้วทุกข์เพราะว่าต้องร้องต้องหายใจเองทุกข์เพราะว่าหิวน้ําหิวอาหาร ต้องบอกต้องส่งสัญญาณให้พ่อแม่รู้ว่าตอนนี้ฉันหิวแล้ว<ม>หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ร้อง<ม>กัน<ม>เด็กร้องตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาพอ<ม>ออกจากท้องแม่มาก็ทุกข์แล้วเริ่มเจอความทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็จะทุกข์อย่างนี้ไปจนถึงวันตายพระเจ้าเจ้าถึงเรียกอริยสัจข้อที่หนึ่งว่าความทุกข์ ความทุกข์ก็คือการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายและข้อที่สองท่านเรียกว่าสมุทยัยต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมาทุกข์กันคืออะไรนั่นก็คือท่านก็บอกว่ามันคือตัณหาความอยากความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยากจะหาความสุขจากการมีเงินมีทองมียศมีตำแหน่ง จากการไ ด, ได้รับการสรรเสริญเยืนยอยกย่องและความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลธรรมชนิดต่างๆนี่คือเป็นความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนถ้าเรามาเกิดนี้แสดงว่าเรามีความอยากฝังอยู่ในใจถ้าไม่มีความอยากฝังอยู่ในใจเราก็จะไม่มาเกิดกันเราก็จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์กัน แต่ถ้าเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่มันก็เป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาสอนให้เราอยากกันใช่ไหมพอเห็นอะไรเราชอบก็อยากได้ทันทีพอเราเห็นอะไรที่เราไม่ชอบก็อยากให้มันหายไปทันทีมันเป็นความอยากที่พาให้ใจเราดิ้นพาให้เราต้องวิ่งหาสิ่งที่เราอยากได้กันหรือวิ่งหนีสิ่งที่เราไม่อยากได้กัน ให้ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เรามาเกิดกันเพราะเราอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกัน<ม>การที่เราจะสามารถหาความสุขได้จากรูปเสียงกลิ<ม>่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกาย<ม>เพราะใจนี้พวกเรานี้เป็นใจเป็นดวงวิญญาณ<ม>เป็นมนุษย์ล่องหนไม่มีหน้าตาไม่มีรูปร่าง แต่มีความหิวมีความอยากมีความรู้สึกนึกคิดผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่คือใจคือพวกเราเนี่พวกเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของพวกเราที่เราต้องมีในการที่เราจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เวลาที่ร่างกายเราตายไปเราก็อยู่ในโลกทิพย์กัน อยู่ในรูปแบบของดวงวิญญาณไม่มีร่างกายเวลานั้นเราก็ต้องรอให้มีโอกาสมีจังหวะที่เราจะได้เข้าคิวไปรับร่างกายอันใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เพราะคิวมันยาวแล้วก่อนที่จะไปเข้าคิวได้ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าทําบาปก็ไปตกนรกก่อน หรือถ้าได้คิวมาเกิดก็เป็นคิวของสัตว์เดรัจฉาน<ม>จะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กัน<ม>จนกว่าบาปที่เราทำไว้มันไม่มีกําลังที่จะส่งผลแล้วเราถึงจะม า, มาเข้าคิวรอมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเรายังอยากที่จะเสกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆยังอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ<ม><ม>เราก็เลยต้องมารอเข้าคิวกัน เหมือนเวลาที่เราไปดูคอนเสิร์ตหรือไปดูอะไรเขาให้เข้าคิวกันใช่ไหมทำไมต้องไปเข้าคิวกันคนที่ไม่อยากดูก็ไม่ต้องไปเข้าคิวให้เสียเวลา<ม>แต่คนอยากดูนี่บางทีต้องไปเข้าคิวตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยก็มีถึงจะเข้าไปดูได้<ม>อันนี้ก็เหมือนกันใจของพวกเราทุกคนมีความอยากอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาชนิดต่างๆก็เลยต้อ ง, ง, ง, งดิ่นลนหาร่างกายกันต้องไปรอเข้าคิวเพราะว่าพ่อแม่ที่จะผลิตร่างกายของมนุษย์นี้มีไม่มากต่อจํานวนของดวงวิญญาณที่ต้องการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงนั้นก็ต้องอยู่รอเข้าคิวไปเรื่อยๆเนกว่าจะถึงคิวของตนเอง ถึงจะได้ร่างกายของมนุษย์มาพอได้ร่างกายของมนุษย์มาแล้วก็พอได้ร่างกายออกมาก็ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆถ้าโชคดีถ้าไม่ตายก่อนบางคนตายในท้องก็มีพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยากจะมีลูกกันพอมีลูกก็เลยไปทําแท้งกันก็มีก็ต้องไปเข้าคิวใหม่ ได้คิววันนี้แล้วแต่แทงหมดสิทธิ์ก็ต้องไปเข้าคิวต่อท้ายแถวใหม่อีกกว่าจะได้มาเกิดใหม่แล้วบางทีพอมาเกิดออกมาคลอดออกมาก็ตายก็มีออกมาแล้วหายไม่หายใจเองก็มีก็ตายตายก็ต้องกลับไปเข้าคิวใหมอ่ออันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์เรื่องของความยาก ของการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราโชคดีได้ร่างกายที่ดีที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมากสามารถเจริญเติบโตได้เราก็เริ่มใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นร้ยกันตั้งแต่เด็กเด็กเด็กๆ ก, ก็ร้องขอให้พ่อแม่หากระตุกระตาหาเครื่องของเล่นมาให้เล่นกันเพราะอยู่เฉยๆไม่มีอะไรให้ดูให้ ให้ได้ฟังได้เห็นนี่มันรู้สึกมันเบื่อมันไม่มีชีวิตชีวาต้องมีอะไรมาให้ได้เสพก็ต้องหาเด็กๆก็ต้องหาตุ๊กตาบ้างหาของเล่นบ้างหาอะไรให้ดูบ้างเดย๋ยวนี้ก็มีมือถือให้ดูกันเด็กเดี๋ยวนี้ก็ติดมือถือกันไมไม่ต้องทำอะไรถ้าพ่อแม่ไม่คอยห้ามคอยเบรกวันนี้ก็จะไม่ทาอะไร แต่ดูแต่มือถือไปตลอดทั้งวันเพราะมันมีรูปเสียงกลินลดให้เสพ ม, มีรูปให้ดูมีเสียงให้ฟังพอมันมีการได้เสพ ร, รูปเสียงที่ชอบมันก็เพลิดเพลินมีความสุขกันพอเวลาแม่ยึดมือถือไปเท่านั้นก็ร้องร้องไห้กันโกรธกันเสียใจกันอันนี้แหละคือความอยากที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลก ทุกทุกสัตว์โลกมีความอยากฉงนั้นถึงยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้แะการที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้เพื่อยุติการมาเกิดเพื่อดับความทุกข์เพื่อตัดความทุกข์ให้หายไปก็ต้องอาศัยการปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคข้อสีอริยสัจมีสี่ข้อ ข้อ1เรียกว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายข้อ2เรียกว่าสมุทยัยคือเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากข้อที่สคือการการสิ้นสุดของการนิเวณว่ายตาเกิดคือการหายของความทุกข์เรียกว่านิโรดนิโรดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยอริยสัจข้อที่4ก็คือมรรคมรรคก็คือทางสู่การหยุด การเวียนว่ายตายเกิดทางที่พระเจ้าได้ทรงคนพบนี้เรียกว่ามรรคแปดหรือถ้าย่อลงมาก็เรียกว่าศีนสมาธิปัญญาอันนี้แหละคือทางที่จะทําให้ผู้ที่ต้องการจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดหยุดความอยากได้ต้องมีศีนสมาธิปัญญาถ้าไม่มีศีนสมาธิปัญญาจะไม่มีกําลังสู้กับความอยาก คามอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มีกำลังมากเหมือนกับเป็นแชมป์โลกอย่างนี้ผู้ที่จะไปชิงแชมป์โลกนี้ถ้าไม่ฝึกซ้อมวิธีต่อสู้จะไม่มีทางที่จะขึ้นไปบนเวทีและเอาชนะชิแชมป์โลกได้ต้องไต่เต้าต้องหาโค้ดที่ดีมาสอนซึ่งนานๆนจะมีโค้ดที่เป็นแชมป์ที่เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้ว ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านผู้นี้น่ะที่เล่นผู้ที่เป็นแชมป์โลกที่แท้จริงเป็นผู้ที่คว้าแชมป์โลกที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันคือตันหาความอยากต่างๆมีพระพุทธเจ้าคนแรกที่กล้าท้าพายท้าชิงแชมป์ขึ้นเวทีสู้กับความอยากตอนที่เจ้ตัดจโลนี้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานเลยว่า จะนั่งอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะได้แชมป์โลกถ้ายังไม่ได้คว้าแชมป์โลกเก่านี้จะไม่เลิกจากการนั่งสมาธิจากการภาวนาไปนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพลหลายชั่วโมงด้วยกันจนกระทั่งในที่สุดก็คว้าแชมป์โลกได้แชมป์เก่าได้คือตันหาความอยากด้วยยุทธวิธีของท่านที่ได้ทรงคนพบคือศีลสมาธิและปัญญา ลองใช้ศีลสมาธิปัญญาถึงจะสามารถเอาชนะความอยากต่างๆได้ <S <S หลังจากที่ท่านได้ความแชมป์โลกเก่าแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาท่านก็เอาความรู้นี้มาสอนผู้ที่อยากจะชิมชิงแชมป์โลกเอาความแชมป์เก่าเพราะในใจของพวกเราทุกคนนี้มีแชมป์เก่าครอบครองใจของพวกเราอยู่กันทุกคนคือตันหาความอยากต่างๆนี่เอง แล้ชนะตัะหาความอยากได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นพอพอพระองค์ไปสอนคนที่อยากจะชิงแชมป์วิธีปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาพอเขานำเอาไปปฏิบัติเขาก็สามารถความความแชมป์เก่าได้ความพวกความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ก็เลยบรรลุปเป็นแชมป์ขึ้นมาคือเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาแล้วพวกนี้แหละร่วมกับพระพุทธเจ้าก็เลยช่วยกันเปิดแคมป์เปิดโรงเรียนสอนให้นักมวยให้พวกที่อยากจะเป็นแชมป์โลกได้มาศึกษาได้มาซ้อมกันมาปฏิบัติกันจึงทำให้ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจานวนอย่างเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ยุคปัจจุบันนี้เราก็ยังมีผู้ที่สนใจที่อยากจะเป็นแชมป์อยากจะแชมป์อยากจะควาาแชมป์เก่าที่คอยพาให้ใจของเราต้องไปทุกต้องไปร้องห่มร้องไห้อยากจะเอาชนะความอยากก็เลยต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่สามารถที่จะสอนวิธี สร้างศีลสร้างสมาธิและสร้างปัญญาเพื่อเอามาใช้ในการต่อสู้กับแชมป์เก่าคือความอยากที่มีอยู่ในใจที่เป็นตัวคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆอพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามที่โค้ดหรือครูบาอาจารย์สั่งสอนแล้วก็สามารถที่จะเอาความแชมป์เก่าลงได้ขึ้นมาคองเป็นแชมป์แชมป์ใหม่ เป็นแชมป์ที่อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีตัวที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปไม่มีตัวที่จะมาดึงให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปนี่แหละคือพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนโรงเรียนหรือเป็นค่ายมวยที่จะมาสอนนักมวย คนที่จะมาเป็นนักมวยนี้ต้องเป็นคู่ที่มีความกล้าหาญอดทนถ้ากลัวเจ็บแล้วอย่ามาสมัครเป็น เ, เข้าค่ายนักมวยเพราะกว่าที่จะเอาชนะแชมป์ได้นี่จะต้องโดนหมัดหลายหมัดด้วยกันถ้าไม่มีความกล้าหาญไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความอดทนถ้ากลัวความทุกข์ยากลําบากแล้วก็ไม่มีวันที่จะสามารถที่จะควา้าแชมป์เก่าได้ uh. พวกที่มาบวชนี่ต้อง อยู่แบบนอนกรดนกินกินกะบทรายได้<ม>นักบวชสมัยพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นนักบวชเหมือนสมัยนี้อยู่อยู่กันอย่างสุขอย่างสบายมสมัยก่อนท่านอยู่กันในป่าในเขามไม่มีไม่มีไม่มีกุฏิไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผามอันนี้เราการกินอยู่ของท่านก็ลำบากลำบน ผ้าจีวรนี่ท่านก็ต้องไปเก็บผ้าที่เป็นผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าที่สมัยนี้เราเรียกว่าผ้าป่าความจริงคำว่าผ้าป่านี้ก็คือผ้าห่อศพสมัยก่อนไม่มีการถวายผ้าจีวรให้กับพระยุคแรกๆไม่มีการถวายพระต้องไปเก็บผ้าที่เขาใช้ห่อศพสมัยก่อนเขาไม่เผาศพไม่ไม่ฝังศพเขาเอาผ้าห่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้มันเน่า ให้มันเปื่อยให้มันแห้งกรอบไปแล้วผ้าที่ห่อไว้ก็นักบวชที่ไม่มีผ้าก็จะเอาไปเก็บผ้าเหล่านี้มาซักมาย้อมด้วยน้ําฝาดคือน้ําที่ต้มจากแก่นไม้มาย้อมเป็นสีกาสาวพัทที่เราเรียกว่าสีเหลืองนี่มันเป็นสีแก่นไม้ไม่มีสีย้อมไม่มีสีสังเคราะห์เหมือนสมัยปัจจุบันนี่ท่านอยู่กันแบบตามมีตามเกิด อยู่แบบเรียบง่ายอาหารก็อาศัยการบินทบาตแล้วแต่จะได้อะไรมาชาวบ้านใส่อะไรมาก็กินไปตามมีตามเกิดที่อยู่อาศัยก็อยู่ไปตามมีตามเกิดส่วนใหญ่ท่านจะนิยมอยู่ตามป่าเพราะว่าเันที่สงบที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาท่านก็อาศัยกิ่งไม้มากิ่งไม้ใบ ไ, ไม้มาทำเป็นเพลิงมาเป็นที่หลบแดดหลบฝน พออยู่กันแดดกันฝนไปได้เรื่องการอยู่การกินนี้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปเป็นแชมป์นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจสนใจอย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรทำให้ทาให้เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาอย่างเต็มร้อยเพราะว่าต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่เต็มร้อยถึงจะมีกำลังที่จะมาสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ ดังการบวชของนักบวชสมัยพุทธกาลนี้จะเน้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและจะเน้นอยู่กับการปรีกวิเวกเพราะการจะทําใจให้สงบได้นี้ต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกิริย์รสที่เป็นสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจถ้าอยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวมันอดไม่ได้อดที่จะอยากดูอดที่อยากจะฟังไม่ได้พอไปดูไปฟังมันก็จะทําให้เสียเวลา แทนที่จะมาปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากกลับไปทําตามความอยากก็ยิ่งทําให้ความอยากมีกําลังมากขึ้นไปใหญ่การหนึงไปอยู่ที่ไม่มีแสงสีเสียงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยั่วยวนกวนใจแล้วก็เจริญสติคอยควบคุมใจให้สงบเวลาทําใจให้สงบนี้ก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวเพราะความอยากนี้จะต้องอาศัยความคิดถ้าไม่คิดมันก็อยากไม่ได้ ถ้าเราไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่ได้อยากแต่พอคิดถึงขนมนี่เดี๋ยวก็อยากจะกินนะพอคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูพอคิดถึงเสียงเพลงก็อยากจะฟังขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่การใช้สติควบคุมความคิดนี่คุมได้เป็นพักพัก ทำจิตให้สงบได้เป็นช่วงๆเวลาจิตสงบก็เบาสบายเหมือนหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันถูกระงามไปด้วยกำลังของสติแต่ร่างกายนี้ยังยังมีอยู่และใจก็ต้องออกมาดูแลร่างกายเดี๋ยวร่างกายก็หิวเดี๋ยวก็ต้องปวดฉี่ปวดท้องก็ต้องมาดูแลร่างกายก็ต้องออกจากสมาธิมา พอออกสมาธิก็เริ่มคิดก็จะกลับไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นใหม่ก็เลยต้องใช้อีกวิธีหนึ่งที่จะกำจัดความอยากอย่างถาวรก็คือปัญญาคือเวลาออกจากสมาธิมาพอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสได้พิจารณารูปเสียงกลิ่นรูว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข แต่ความหลงคิดว่าเป็นสุขถ้าได้ดูรูปเสียงได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบแล้วจะมีความสุขมันแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวๆแล้วเดียวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็ปล่อยให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าเศร้าโศยหงวยอเหงาขึ้นมากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาความสุขที่ได้จากรูปเสียง ก, กลิ่นรสมันหมดไป เพราะมันไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นไม่ใช่เป็นของถาวรเป็นของชั่วคราวมันมีเกิดมีดับมีมามีไปเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดพอเราอยากให้มันอยู่มันไม่อยู่เราก็ทุกข์ขึ้นมามนพอเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเราก็หยุดความอยากเสียพอเราหยุดความอยากพอความอยากหายไปความสงบก็กลับเกินมาทันที ความสบายความเย็นความสบายใจก็เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิทีนี้ถ้าใช้ปัญญาได้หยุดความอยากได้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าสมาธิแล้วความอยากที่ได้ถูกกำจัดด้วยปัญญานี้ก็จะหายขาดไปจากใจทันทีเพราะเราเห็นทุกข์ไงเห็นว่าความอยากนี้พาให้เราไปสู่ความทุกข์ถ้าเราเห็นว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นมะเร็งเราจะกล้าดื่มไหม เราไม่กล้าดื่มกันแต่ถ้ายังไม่มีการค้นคว้ า, ายังไม่มีการวิจัยก็จะดื่มกันเพราะว่ามันอร่อยอร่อยแต่พอมีการค้นคว้ามีวิจัยพบว่าเครื่องดื่มช น, นิดนี้ถ้าดื่มไปแล้วจะต้องเป็นโรคมะเร็งขึ้นมานี้เลิกดื่มกันเลยเพราะไม่มีใครอยากจะตายกันไม่อยากไม่มีใครอยากจะทุกข์กันอันนี้แหละคือปัญญาต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์ ทกเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดนี่คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้มันก็จะไม่อยากอีกต่อไปต่อไปความอยากที่มีอยู่ในใจมันก็จะหายไปหมดด้วยอนานาจของปัญญานี้พอหมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรต้องทาแล้ว ใจก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่หิวโหยไม่ได้ไม่ดิ้นรนอีกต่อไปไม่ต้องดิ้นไปหาภพชาติอีกต่อไปไม่ต้องดิ้นไปเกิดใหม่อีกต่อไปใจที่ไม่ดิ้นเราเรียกว่านิพานใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี่เป็นนิพานชิ้นสุดไม่มีการไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือรางวัลทางพระพุทธศาสนา ที่พวกเราจะมีโอกาสได้รับกันตอเมื่อเรามามาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาคือได้พบกับสิ่งที่หายากสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งได้พบกับการปรากฏขึ้นมาของพระพุทธเจ้าพบกับการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบกับการที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วพบกับการที่เรามีเวลาได้ศึกษาและได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราได้สี่ สิ่งที่หายากนี้ได้แล้วรางวัลอันเลิศอันประเสริฐคือวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์หรือนิพพานประมังสุ ข, ขังก็จะเป็นรางวัลที่เราจะได้รับต่อไปอ น, นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริว า, าปูราปาลิโพเลติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติเอชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยทามม่โชติระโสยทาสัพพิตโยวิวะฉันตุ สัพพะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุทธาปจายโนจตารโหธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง You Tube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะหน้ากุดจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติ501ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์282 YouTube ด Channel 51วิทยุออนไลน์11ครับเฮา11หน้ากุด93รวมทั้งหมด943ค่ะคำถามจากทางหน้ากุดค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะแนวทางในการนําธรรมะมาใช้กับชีวิตปัจจุบันหากเราได้เจอหากเราได้พบเจอคนที่ทําให้เราเดือดร้อนทุกใจถือว่าเป็นวิบากกรรมของเราไหมคะก็มาเกิดนั่นแหละวิบากก็คือการมาเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์เหล่านี้งั้นถ้าจะแก้ปัญหาต้องแก้ที่การไม่เกิดและหากคนที่ และหากเจอคนที่ผิดสัญญาคดโกงเราในเรื่องงานที่ทำสัญญากันไว้ควรวางใจอย่างไรเพราะเรารู้สึกโกรธและเสียใจควรให้อภัยหรือแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายดีคะถ้าเราไม่ต้องการมีเวมีกรรมก็ยกให้ขอไปคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปเราก็จะมีความสุขเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาทันทีเป็นเหมือนกับเงินที่เราไปทำบุญ คำถามสัตว์ทางน้ากุฏอีกคำถามค่ะการที่ผู้หญิงทำความสะอาดพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆคือเช็ดถูนะเจ้าค่ะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่นิยมเนื่องจากพระพุทธรูปนี้เป็นเนเหมือนพระนักบวชนักบวชนี้กับสีกาเนี่มันเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับไฟเดี๋ยวมันเข้าใกล้แล้วเดี๋ยวมันจะลุกเป็นไฟขึ้นมา ทั้ ง, งถึงแม้ว่าพระพุทธรูปนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็มันก็ไม่พึงกระทาเพราะยังเป็นรูปแบบของพระเป็นพระพุทธเจ้าเห็นผู้ที่ครท ำ, ทำความสะอาดควรจะเป็นผู้ชายจะเหมาะสมกว่าผู้หญิงนี้ไม่ควรจะเข้าใกล้นักบวชไม่ควรไปซักจีวรให้นักบวชไม่ควรไปล้างบาทให้นักบวชไม่ควรไปจับต้องของที่เป็นของนักบวชที่เป็นผู้ชายนะเพราะว่า มันเดี๋ยวมันจะลามปามไปเมื่อมีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมกันมากขึ้นเดี๋ยวมันก็จะมีความเผลอเลอแลวอาจจะทำอะไรร่วงเกินที่ไม่ควรจะทำต่อไปได้ยางทางที่ดีก็คือแยกกันไว้ดีกว่าเนาะมันกับไฟนี้เขาไม่เก็บไว้ในที่เดียวกันแยกกันให้อยู่ห่างๆตามสถานที่ปฏิบัติธรรมี้ที่พักของสองกับที่พักของ ของคารวะญาติโยมนี้จะแยกกันเป็นเขตเป็นไม่มาปะปนกันเพราะว่าเรื่องของกามอารมณ์นี้มันเป็นเป็นของที่ร้ายแรงนะสามารถที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นได้คำถามจากทาง Facebook ค่ะ นั่งสมาธิพบธาตุรู้แล้วพอออกจากสมาธิสักพักจิตจะหมองก็กลับเข้าไปใหม่ทำอย่างไรธาตุรู้ถึงจะไม่หมองครับมันจะแน่นที่หน้าอกกับหน้าผากครับเวลาที่จิตหมองขอบพระคุณครับถ้าไม่อยากเข้าสมาธิก็ใช้ใช้สติก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปในขณะที่เรายังมีการเคลื่อนไหวมีการกระทาอะไรอยู่ถ้าเรามีสติ เราก็จะระงับความเศร้าหมองได้แต่เป็นการระงับแบบชั่วคราวถ้าเราอยากจะระงับความเศร้าหมองแบบถาวรเราต้องค้นหาสาเหตุของความเศร้าหมองว่าเราเศร้าหมองเพราะอะไรส่วนใหญ่มันก็เกิดจากความอยากของเราอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นมันก็ทาให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาได้ เราก็ต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆนี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปเราก็หัดทำใจยอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความเศร้าหมองก็จะไม่มีถ้าเราไม่มีความอยากที่จะไปจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆคำถามจากทางยพระอาจารย์สุชาติค่ะ การนั่งภาวนาระหว่างนั่งเป็นเวลา 15-30 นาที2รอบกับการนั่งแบบยาวต่อเนื่ อ, นองเป็น60นาทีควรฝึกปฏิบัติแบบใดคะนั่งนะนั่งยิ่งนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีในรอบเดียวแต่ถ้ายังไม่มีกำลังก็ต้องก็ต้องหยุดตามก า, มามลังแต่การนั่งให้นานๆต่อเนื่องมันจะทำให้จิตสงบได้มากกว่าการที่เรานั่งแล้วแล้วก็เลิกแล้วกลับมานั่งใหม่ คำถามจากทางย t ทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะจิตของเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดจากความอยากจึงมีข้อสงสัยว่าครั้งแรกของดวงครั้งแรกของจิตดวงใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อยังไม่เคยเกิดและสะสมความอยากมาก่อนค่ะอันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้เราก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเพราะมันไม่เป็นมันไม่เป็นเหตุความจำเป็นที่ต้องรู้รู้วิธีหยุดความอยากก็พอ ส่วนมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อหลายนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันคำถามจากทางยูทูบค่ะผมเคยได้อ่านหนังสือ ท, ที่เขียนเกี่ยวกั บ, กกบท่าทั้งหกแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับอากาศสาท้านว่าคืออะไรขอพระอาจารย์ช่วยขยายความด้วยครับ อากาศสทธาก็คือพื้นที่ไงพื้นที่ว่างเปล่านี่ก็เรียกอากาศสทธาการที่เราจะสร้างบ้านได้เราต้องมีพื้นที่ก่อนใช่ถ้าไม่มีพื้นที่เราไปสร้างบ้านที่ตรงไหนการที่จะมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้มันก็ต้องมีอากาศเป็นที่ตั้งเป็นสถานที่ที่ตั้งอวกาศความจริงอากาศสทธานี่หมายถึงอวกาศเช่นเวลาเราส่งยานขึ้นไปใ น, ในท้องฟ้าก็เข้าไปสู่อวกาศ ถ้าไม่มีอวกาศยามันก็ไปไปไม่ได้มันไม่มีที่ไปอวกาศก็คือสถานที่สถานที่ที่มีความลึกมีความสั้นมีความยาวมีความลึกเนี่ยความว่างที่เรามีรอบตัวเรานี้ก็คืออวกาศถ้าเราไม่มีพื้นที่เราจะไม่สามารถมานั่งตรงนี้ได้ถ้าไม่มีอวกาศอวกาศก็คือพื้นที่ที่ เป็นที่ตั้งของดินน้ำลมไฟอีกทีหนึ่งส่วนธาตุรู้นี่ไม่ได้อยู่ในในโลกของธาตุทั้งสี่ทั้งห้าธาตุรู้นี่อยู่อีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยธาตุรู้นี้ไม่ต้องมีที่ตั้งเพราะมันไม่มีตวัวมันไม่มันไม่มีรูปร่างเหมือนกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคำถามจากทางยูทูบค่ะ น้กราบนมรดการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากดับทุกข์แต่ทําไม่สําเร็จขอกราบเรียนถามว่าจะทําอย่างไรที่จะให้เกิดความทุกข์ลดลงไปเจ้าคะก็ต้องทําไปเรื่อยๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอย่าหยุดสู้ไม่ถอยสู้ไปจนกว่าเราจะได้ชัยชนะจนกว่าเราจะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทํากัน ท่านสู้แบบไม่ถอยแพ้ก็แพ้คราวนี้ก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่สู้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันจะต้องได้ชายชนะอย่างแน่นอนคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะที่ท่านพระอาจารย์ได้สอนว่าสัตว์เดรัจฉานจะต้องไปใช้ผลบาปให้หมดก่อนจึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าผมเลี้ยงแมวอยู่แล้วพาเขาทำบุญใส่บาทกับเราทุกวันเขาจะได้รับผลบุญกับเราได้หรือเปล่าครับ ไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่รู้เรื่องบุญแล้เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เขาก็ทำตามที่เราพาทำท่นเองการจะทำบุญได้บุญนี้ต้องเกิดจากความรู้ของเราเองว่าเราอยากจะทำเราอยากจะเสียสละของที่เป็นของของเราให้แก่ผู้อื่นเพื่อทำคาคุณทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมันถึงจะเกิดบุญคือความสุขใจเอ็มใจขึ้นมาแม้แต่ลูกๆเราที่เราพาทาบุญนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้บุญหรอก เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากหนึ่งไม่ได้เกิดจากความเข้าใจของเขาว่าทําบุญนี้ทําเพื่ออะไรทําเพื่อเสียสละแล้วเขาต้องเสียสละของที่เป็นของของเขาแต่ของส่วนใหญ่ที่พ่อแม่พาทําบุญนี้เป็นของพ่อแม่แต่สิ่งที่เขาได้ก็คือได้หัดหัดทำบุญซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะถ้าเขาไม่ได้หัดทําบุญเวลาเขาโตขึ้นก็จะทําทบุญไม่เป็นแล้วเขาก็จะไม่รู้จะทําบุญอย่างไร พ่อแม่จึงต้องสอนตั้งแต่เด็กสอนให้ใส่บาศสอนให้ทําบุญด้วยวิธีการต่างๆพอทําไปแล้วพอเขาโตขึ้นพอเขามีเงินของเขาเองพอเขาอยากจะมีความสุขจากการทําบุญเขาก็ทําบุญได้เลยแต่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าทําไปเพื่ออะไรเขาก็จะไม่เข้าใจแต่เราสอนเขาบอกเขาว่าการทําบุญนี้เป็นทําให้ใจเรามีความสุข ความสุขของใจนี้เราจะเป็นสวรรค์ต่อไปเวลาที่เราตายไปแล้วถ้าเราตายไปแล้วอยากจะไปสวรรค์ถ้าเราอยู่อยากจะมีความสุขก็ทำบุญกันไปเรื่อยๆแา่การทำบุญนี้ต้องเกิดจากเจตนาของตนเองต้องมีความอยากทำและต้องเป็นของของตนเองถ้าไปเอาของพ่อแม่มาทำนี้มันไม่ได้มันเป็นของพ่อแม่นอกจากพ่อแม่ให้เงินลูกไปใช้ ซื้อซื้อขนมหรืออะไรแล้วลูกขอเอาเงินที่ซื้อขนมนี่มาทำบุญอย่างนี้เขาก็จะได้บุญเพราะเป็นการเสียสละของที่เป็นของของเขาคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะ เวลานั่งสมาธิจิตชอบหลุดแม้มีสติแล้วจิตก็ยังไหลไปนอกกายเจ้าค่ะพยายามแล้วก็ยังอดไม่ได้จะทําอย่างไรดีคะก็เหมือนเด็กเด็กที่หัดเดินใหม่ๆมันไม่ยื้ลุกขึ้นมายืนแล้วก็เดินได้เลยเด็กลุกขึ้นมายืนเดินได้ก้าวสองก้าวก็ล้มลงไปต้องล้มลุกคุกคลานไปก่อนการปฏิบัติสติก็แบบเดียวกันสติเรายังไม่แข็งแรงพอที่จะยืน ต่อเนื่องจนเป็นสัมปะชัญญะได้ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามพอเผลอสติพอรู้ว่าเผลอก็กลับมาตั้งสติใหม่กลับมาตั้งอยู่เรื่อยๆใหม่ๆมันจะได้สติแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็หายไปพอหายไปพอรู้ว่าสติหายก็กลับมาเริ่มใหม่ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะมันก็จะเร็วขึ้นมันก็จะรู้ทันเร็วขึ้นแล้วสติก็จะเผลอน้อยลงไปเรื่อยๆ การฝึกฝนอบรมนี้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญถ้าไม่มีการฝึกฝนอบรมนี้การจเจริญเติบโตนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจร่างกายก็ต้องฝึกฝนอบรมกันเด็กต้องหัดฝึกฝนอบรมวิธีการต่างๆถึงจะมีการจเจริญเติบโตขึ้นมาพัฒนาการขึ้นมา คำถามจากทางย t u b e ค่ะศรัทธาที่แท้จริงคือการลงมือปฏิบตัติจนเห็นผลนั้นด้วยตนเองจนเกิดความมั่นใจใช่ไหมครับก็เป็นความเชื่อที่พระเจ้าทรงสอนให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนจนเกิดผลขึ้นมาแล้วก็ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์อันนี้มันก็จะทำให้ จากศรัทธาก็จะกลายเป็นปัญญาต่อไปเป็นความรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะปฏิบัติธรรมมานานหลายปีแล้วรังครั้งเหนื่อยจากงานทางโลกจนท้อแท้เหนื่อยนายไม่อยากปฏิบัติขอพระอาจารย์ช่วยสั่งสอนหน่อยค่ะก็อย่าไปทางานสิทำให้มันน้อยลงเราทางานเพื่อเลี้ยงชีพก็พอ ทำงานเพื่อหารหายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมากมายเพื่อเอาไปใช้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นต่างๆหรือไปเที่ยวต่างๆเอาเวลาที่เราหาเงินเกินนี้หยุดทำงานสักครึ่งเดียวก็พอพอมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เราก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมากจนเกินไปเราก็จะสามารถที่จะมีกาลังที่จะมาให้กับการปฏิบัติธรรมได้ คนฉลาดเคยทํางานเป็นลูกจ้างประจําต้องไปทํางานทุกวันหยุดแค่เสาร์อาทิตย์ก็เปลี่ยนมาเป็นทํางานอิสระขายประกันขายเครื่องสำอางหรือขายอะไรวันไหนอยากจะขายก็ขายวันไห น, น ร, รู้สึกว่าพอมีกินแล้วก็หยุดก็ได้พ อ, พอเงินไม่พอใช้ก็ค่อยไปขายใหม่อาเวลาจะได้มีเวลาว่างมาให้กับการปฏิบัติ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเวลาไปกราบหลวงตาหลายๆครั้งหลายๆท่านบางครั้งไปดูเหมือนท่านจะชราแต่เมื่อไปพบท่านอีกก็พบว่าท่านดูอ่อนกว่าวัยมากเป็นเพราะเหตุใดครับไม่รู้เหมือนกันเหมือนก็ต้องไปถามท่านดูหมดแล้วค่ะไม่มีหมดแล้วเลยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา